ธันวาคม 2532 ตอนนี้เขาจะออกเดินทางออก ในเมื่อเวลาที่ 13:15 น. ถึง 5 วายทางถูก ก็ว่าเขาไม่ห้ามแต่ความจริง ในเมื่อเขาไม่ยอมนําให้นํา 23:15 น. รอคอย 00:10 น. คือ 6:00 น. 10 นาที ก็เดินทางออก UA 822 เครื่องเดิมตัวนี้ก็ ไม่มีผีจะให้เห็นนั่งภาวนาไปบ้างใคร่ครวญไปบ้างนึกถึงความตายไปบ้างนั่งไป ทางที่ดีเมื่อขนาดที่เครื่องลงไปมันจะ เป็นนั้นว่าก่อนจะถึง NA ก็ใกล้เคียงทั้งภาพเดิมว่าว่าที่ NA dilated arteritis นี่เค้าเคย อาตมาก็ไม่มีญาณพิเศษไปข้างรู้ก็ตอบก็ถือว่าอาการบิดเป็นดินไหวอาจ ก็ต่อมา เขาบอกว่าแผ่นดินจะทรลมแผ่นดินจะไหวจะทรลมเหมือนเดิมจะหนักม้ําหนักกว่าเก่าบ้างเหมือนเดิมบ้าง เรื่องการต่างๆนี้ผ่านมาก็เหมือนมากถ้าแผ่นดินไหว ก็นึกในใจว่าพ่อโธ่เอ้ยเราก็ๆไม่ใช่ว่าเป็นคนรู้พิเศษวิโสอย่าหนองพ่อจงสิถ้ารู้อย่างพ่อ <c oughs> แต่ถ้าสามารถบอกได้เวลา มันจะถล่มเวลาไหนแผ่นดินจะไหวแผ่นดินจะไหวเมื่อไหร่แล้วก็ นั่นก็เธอจมลงไปที่ไหน คราวๆก็ต้องบอกเค้าได้บอกเวลานี้ที่นี่ 2-3 ครั้งที่ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทที่นี่ อบรมทําแนะนําทํากันอยู่เสมอญาติโยมพุทธบริษัทก็เป็นนัก ก็ 6:00 ประมาณ 0:00 น. เห็นจะเป็นเวลานั้นนะไม่ใช่มงชาไป <c oughs> แต่คุณเย็นซวงใครว่าเย็นซวงน่ะว่าว่าหรือไงเย็นซวงคือเย็นจิตอาตมาร้อนเถอะว่าเรียกชื่อประเย็นซวงก็มีหลายคนต้องขอมาฐานโทษนะจําเชื่อไม่ได้จริงๆเห็นหน้าจําได้แต่นึกชื่อ ว่าท่านถึงแม้ว่าจะผ่านไป <c oughs> คงไม่มีอาหารไทยแท้จริงๆแล้วไม่ไป จะส่งตัวได้หรือเพราะฝรั่งไม่ชอบอาหารไทยแต่ ก็รวมความว่าเวลาฝรั่งจะมากินจริงๆในเมื่อร้านนั้นฝรั่งก็ยืนคอยประเดี๋ยวเยอรมันก็มีทุกชาติอ้าวแถะ เขากลับเข้าเรื่องใหม่ไปถึงลอสแอนเจลิสลูกหลานก็มา <c oughs> นั่งกินกันบ้างคุยกันบ้างคอยๆคือ 13:10 น. น, าง, น, าง, น, ง, ง, 13. นจะ 9:15 น. นะ 13:15 น. ก็ออกเดินทางจากลอสแอนเจลิสโดยเครื่องบินภาย หรือ UA054 เป็นเครื่องบินภายในประเทศ แล้วก็มีๆแบบนั้นสะพานของเขาจริงๆก็เป็นสะพานเป็นสะพานร็อซเว่นก็ น. บบ น. นะๆ 21:43 น. ไอ้เวลาเนี่ยเป็นสงสัย จาก 13 มันต้องตั้ง 7 ชั่วโมงมันนั่ง 2 ชั่วโมงมันก็เขียนยังไงก็ตามใจรถนะก็มาอาตมาอํานวยการเขาบอก 20:43 น. ความจริงคงจะไม่ใช่อาจจะออกมันค่ํา เวลาของรัฐเวอร์จิเนียหรือวอชิงตันนี่อาจจะไวกว่า 2 1 ชั่วโมงลอสแอนเจลิสก็ 2 ชั่วโมงอาจจะมันต่างกันเวลา 20:43 น. ถึงวอชิงตัน ไปถึงวอชิงตันแล้วก็นําคณะเข้าโซที่พักณเวอร์จิเนียเข้าสื่อที่พักที่รัฐ อันตรายคือว่ามรศมก็ไม่มีนั่งมาเป็น รถวินัยเข้าที่พักเรียบร้อยเป็นเวลา 20:43 น. 20 น, นแต่ว่าที่ตรงนี้น่าจะคลุมไว้สักนิดนึงคนลือชาจะ ชมเชย ดร. ปริญญานุตาหลายมากชมว่า ดร. ปริญญาเป็นรุ่นพี่ 1 ปียังไงก็ เอ่อตอนเช้า 20 องศาเมื่อก่อนนี่มาเอาคงจะเย็นเกือบจะต่ําสุดเลยเลยสูงขึ้นไปหน่อยๆแล้วเวลานี้เหลือ เผอิญคนนี้มีคติชอบ 3 วันตอน 1 คือตอนเช้ามืดใกล้ 02:00 ตื่นขึ้นเวลาครึ่งหลับครึ่งตื่นก็ อย่างรัฐเวอร์จิเนียก็ดีชิคาโก้ก็ดีเวลา 20 องศาขึ้น เรียกขึ้นไม่ได้อีกจะถามได้ว่ารัฐแต่รถท่าน 20 องศาดาวไนก็จะอุ่นขึ้นเสี้ยนไนก็หายไปก็บังเอิญจริง 20 องศากําลังสบายเดินไปเดินมาคุ้นสะดวกแล้ว ก็ประมาณ 20 องศาเอาเอาพอ 20 องศาไม่ใช่ประมาณใหม่ภาระแห่งการเลี้ยงอาหารก็เป็นหน้าที่ๆตอนกลางคืนก็นําเครื่องดื่มคิดแล้วค่าสูงมากแต่ ดูค่าอาหารก็หนักจะเลี้ยงเป็นพิเศษจริงๆทุกคนน่ะไม่ใช่เลี้ยงอยู่เพราะพระลงความของคุณลือชาเนี่ยอาจจะลง และเวลานั้นก็มีคนก็ปฏิริญบอกว่ามีฝรั่งบางคนชอบอาหารอะไรจะมาเมื่อไหร่ก็สั่ง แล้วก็ใช้จ่ายด้วยต้องทํางานกับฝรั่งเพื่อหาเงินแต่ว่าเวลานี้บรรดาท่านผู้บริษัทยุคคุณลือชามีเงินถึง 10 ล้านเศษ 10 ล้านเนี่ยก็ไม่ทราบเหมือนกันเท่า 10 ประมาณ 10 ล้านจะเป็น 10 ล้านไทยหรือ 10 ล้านฝรั่งก็ไม่ทราบตอนนี้มีปัญหาว่าเมืองฝรั่งก็ไม่พูดกับถึงเงินทําเมืองไทย ถ้าพูดเงินพลางกันกี่ดอลลาร์กี่ดอลลาร์ก็ว่าไปก็ไม่พูดกี่บาทไอ้ธรรมะ 10 ล้านนี่คงจะเป็นเรื่องของของเงินอเมริกัน หลังจากนั้นก็มีเรื่องอีกนิดนึงบรรดาท่านพุทธบริษัทเอาเวลา รู้สึกว่าทํางานถูกต้องไอ้ ก็ ให้ดึงกลับมาไปได้ก็มองเห็นกิฏมันก็เห็นคนเห็นคนเนาวที่พักที่ทางเดินที่ตอนข้างนอกเป็นผู้ชายผอมผอมคนหนึ่งเดินเดินล่องใต้หลังจากนั้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งใส่หมวกมาหมกโยนคนนี้ทมท้วมเดินสวนทางกับผู้ชายนั้นผู้ชายคน พอหญิงถึงก็ถึงกระจัดมาพอถึงตรงหน้าผู้หญิงก็วางกระจัดเข้าไปแย่งขันผู้ชายเป็นว่าผู้ชายเกือบจะเสียท่าเพราะผอมกว่าก็มีพลังคนหนึ่งเดินออกไปจากที่อาตมา <c oughs> เมื่อاهฝรั่งคนนี้เดินไปก็อย่าถ ต้องเป็นภรั่งคนนี้เดินไปกล้ายถิงสองคนก็ต่างคนต่างเนียกกันไปหรือเพลงใจฝรั่งคนนี้เมื่อฝรั่งคนนั้นเดินเข้ามาถาม любு managed to go back and have w and find Fina suppose your call was theatal começarワeniz а livers whether or notgame i, for those f i will not votingKO si i be the fellow warrior men who are the target intellectuals le my friend Russian pesos א 그렇게 Rainbow Rackered international sus l savior ธรั่งคนนั้ง House ofilot CAN asks you what i need you ก็ถามว่าคุณอบุญมาจากไหนที่นี่ไม่ได้นับถือพระ เธอก็ตอบว่าถ้าในเพิ่มผมมีเท่านี้จะ <c oughs> ศีล 5 ไม่บริสุทธิ์บางคนก็มี 1 บ้าง 2 บ้างธรรมะในการปฏิบัติก็มีหิงได้ตัวมากผมทนธรรมมากเป็นคนรวยทำบุญมาหลายปี วันแล้วแล้วก็สภาคงเกรสมีกระทรวงทบวงกรมต่างๆเยอะเข้ามีติดถ้ามีเขามอง เอาแต่ที่รถผ่านไปคุรุชาอธิบายไว้ที่นั่นไอ้นั่นที่นี่ไอ้นี่ไปดูที่ไว้เฮาแหม่เค้า ตัดสินใจมันยอมตายด้วยระเบิดใส่รถรถไปชนสถานที่แล้วเกิดระเบิดขึ้นทำให้ตึกพังเค้าเกรงว่าไว้เฮาจะเป็นอันตรายแบบนั้นรั้วข้างในก็มีทั้งหลังยังมีไอ้โคไม่ยังมีรั้วพิเศษมันใหญ่มากจะกันรถชนไม่พังแน่กันกันความตายเป็นที่พักพระธรรมาธิบดีแล้วเธอก็ชี้ดูถนนสายนี้ครับ อันนั้นก็ไปตามระเบียบก็ไปดูที่สภาคงเกรสซึ่งเป็นสภาที่ ก็